ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งผมก็ยังใช้ชีวิตแต่ละวันเป็นปกติบางวันก็มียาติธรรมมาเยี่ยมมาให้กําลังใจมาพูดคุยถามถ่ายอาการเจ็บป่วยของผมที่ก็คุยเกี่วกับเรื่องชีวิตเรื่องความป่วยไข้เรื่องของการปฏิบัติธรรม ก็คุยตามปกติอ่ะอาจจะใช้เวลาคุยไม่นานเหมือนเมื่อก่อนในทีนี้บางเจติธรรมบางท่านเนี่ยก็มาถามปัญหามันเป็นธรรมเนียมนะเวลามีไกห่หมาผมก็ต้องมีคำถามต่างๆปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเขาก็บอกว่าต้องรีบถามซะก่อนเดี๋ยวเขาจะไม่มีโอกาสได้ถามผม ผมก็บอกเออผมก็ต้องรีบตอบบางทีผมก็หมดโอกาสตอบเหมือนกันก็รีบตอบเจติธรรมก็จะถามว่าการเจริญสติเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆว่าให้ทำอย่างสบายๆให้ทำเล่นๆทำแบบปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่นจะทำอย่างไรที่จะทำให้สบายๆหรือทา อย่างเล่นๆแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยเขาก็เข้าใจแต่ว่ามันไม่จะปฏิบัติอย่างไรผมก็เลยวิจัชนาสักหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าครูอาจารย์ที่ท่านพูดท่านพูดถูกต้องแล้วแต่เราอาจจะปรุงแต่งตีความผิดความหมายไปดังเช่นให้ทำอย่างสบายๆเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ให้ําอะไรเลยก็ตั้งใจทำแต่ว่าไม่จะเป็นต้องไปเพ่งไปจ้องไปบังคับไปกดข่มจะรู้กายรู้จิตก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับกายกับจิตเนี่ยอันนี้คือทำอย่างสบายๆแล้วแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วแล้วก็ทำแบบเล่นๆเนี่ย คำว่าเล่นๆเนี่ยคือไม่จริงจังอย่าเอาจริงเอาจังหน้าดำข้ามเกลจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เนี่ยอันนี้มันจริงจังเงินไปมันก็จะทำให้เครียดใน ก, การปฏิบัติมันก็ไม่ใช่เป็นการทำเล่นๆทำเล่นๆนี่มันจะผ่อนคลายนะคำว่าเล่นเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วอย่างทำแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นทำแบบปล่อยวางเนี่ย ดังั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสิทำแบบไม่ยึดมันม่นทําแบบปล่อยวางท่าไม่ได้หมายถึงอย่า ง, งานั้นท่านหมายถึงมาให้ตั้งใจทําให้ตั้งใจปฏิบัติแต่ว่าถ้าผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็รู้จักปล่อยวางยอมรับไปการตั้งใจนั้นคือให้ตั้งใจทําที่เหตุเหตุณปัจจุบันนั้นเราต้องตั้งใจทําตรงนี้ก่อน เอาตรงนี้ก่อนให้มันชัดเจนส่วนผลที่เกิดจากในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องยอมรับได้ผลออกมาไม่ดีแล้วก็ยอมรับได้ผลออกมาดีแล้วก็ยอมรับได้อันนี้แต่ว่าไม่ยึบมั่นถึงมัน่นแบบทำแบบปล่อยวางต้องเข้าใจตรงนี้ตั้งใจสร้างเหตุแต่ปล่อยวางในผลอันนี้เป็นความหมาย เพราะว่าเรื่องของเหตุเนี่ยเราควบคุมได้เราจะทํามากทําน้อยทำถูกทำให้ถูกทําให้ผิดเนี่ยเราเลือกได้เราทําได้เราพอจะควบคุมได้แต่ผลที่เกิดจากการกระทําเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นจากอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมได้มังทีเราอาจจะต้องการผลมากเกินไปทําเหตุนิดเดียวแต่จะผลมากๆ หรือไม่ตาเหตุเลยจะเอาผลนะเนี่ยผลที่มันควบคุมไม่ได้หรอกผลมันต้องมาจากเหตุเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจทําที่เหตุผลออกมายังไงก็รู้จักยอมรับแล้วก็ปล่อยวางนีก่การปฏิบัติถ้าเราเข้าใจความหมายของคําเหล่านี้แล้วคําว่าทําสบายๆทาแบบเล่นๆหรือทำแบบไม่ยึดมั่นถึงมั่นทําแบบปล่อยวางเนี่ยเราจะ ปฏิบัติไปแล้วก็ปล่อยวางไปนะปฏิบัติที่เหตุปล่อยวางที่ผลปฏิบัติไปปล่อยวางไปปฏิบัติไปปล่อยวางไปเนี่ยทำอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าปฏิบัติไปก็หลุดพ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติทีไรก็หลุดพ้นทุกทีพราะรู้จักการทีร่ตั้งใจทําแล้วก็ปล่อยวางตั้งใจตาที่เหตุแล้วก็ปล่อยวางในผลอันนี้เป็นเทคนิคของการปฏิบัติ ในการเจริสติหรือการภาวนาต่างต่าง